จนที่สุบาถามผมยังต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญอย่างเนี้ยบุญจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแล้วถ้าผมคิดถึงบุญที่ทำเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดความสุขเหมือนได้ทำอีกผมจะได้บุญเท่าอาทิตย์ก่อนไหมตอบเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เงินน้องมาเงินนั้นก็ไม่ใช่สิทธิ์ของพวกท่านอีกต่อไปครับ เงินทองไม่มีอำนาจในตนเองไม่มีความเป็นของใครตายตัวเจตนายกกรรมสิทธิ์จะเป็นตัวเปลี่ยนเจ้าของไปได้เรื่อยๆฉะนั้นเมื่อน้องเอาเงินของตัวเองไปทำบุญบุญย่อมเกิดแก่ตัวน้องไม่เกิดขึ้นกับพวกท่านแต่อาจช่วยให้พวกท่านมีส่วนร่วมถ้าน้องทำบุญแล้วหน้าตาแจ่มใสชวนให้พวกท่านเกิดความยินดีตามความยินดีตานั่นแหละคือบุญของพวกท่านเอง การระลึกถึงบุญที่เคยทําแล้วย่อมก่อให้เกิดโสมนัสเป็นประโยชน์ในตัวเองและอาจสานต่อให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมพูดเรื่องการให้ประโยชน์ของการมีใจคิดสละจะเป็นความเบาน้องย่อมนึกออกเข้าใจตามได้ทันทีเพราะเพิ่งผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาหยกหยกเมื่อผมกล่าวต่อว่าใจที่คิดสละใจที่โปร่งเบานั้น เหมาะควรแก่การเห็นค่าของการรักษาศีล น, น้องก็ย่อมเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้เช่นเคยเพราะใจที่สละความจรรีย่อมเป็นไปในทางเดียวกันกับใจที่สามารถสละบาปและความชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อผมกล่าวต่อว่าใจที่สละคืนบาปและความชั่วร้ายนั้นเหมาะควรแก่การเห็นค่าของการประพฤติ ธ, ธรรมภาวนาให้เห็นแจ้งว่า กายใจนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่เที่ยงถ้าอยากให้เที่ยงย่อมเป็นทุกข์และเพราะมันไม่ใช่ตัวเราถ้าอยากให้มันคงสภาพเป็นเราย่อมเป็นทุกข์ดังนี้จิตที่สะอาดแล้วของน้องย่อมเห็นตามได้จริงอีกเช่นกันสรุปคือฐานที่น้องทำแล้วจะตามไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้น้องก้าวขึ้นสูงขั้นต่อขั้นกระทั่งถึงที่สุดของประโยชน์ได้ อย่าหวังเพียงแค่ระลึกถึงแล้วจะได้บุญเท่าเดิมเลยครับ <ไป S 1> ดังตริตตนรบคทนบความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20ประจำวันที่12กรกฎาคมพุทธศักรา25ช2550ด้าดาวโหลดสิงหาและอ่านหนังสือของคุณดังตรินทั้งหมดได้ฟรีที่ w w w d a n g t ด i n c o m ัง D-U-N-G-T-R-I-N.com สิ่งอ่านงานของคุณดังกรินทั้งหมดสามารถนําไปเผยแพร่เป็นธรรมทานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นเฉพาะธรรมทานเท่านั้นพังอยากเยื น, นเศราซึมเมื่อเลี่ยวแลกเห็นความหนาดรัวที่เคยจองตํา ลึกล้ำในอนดีตเยื่อใยที่ฟังลึกกินใจหมดสิ้น